เหลือเวลาอีกเท่าไหร่วิธีฝึกเจริญมรณสติสระดับระดับความคิดระดับจิตระดับปัญญาผู้จะฝึกเจริญมรณสติเพียงในระดับความคิดอาจเริ่มง่ายๆด้วยการถามตนเองว่าถ้าต้องตายในนาทีนี้เราจะนึกถึงอะไร การเตรียมใจไว้ล่วงหน้าสำคัญมากเพราะเมื่อถึงเวลาจริงจิตจะได้มีทิศทางมีที่เกาะหรือมีที่พึ่งอันสุขสว่างจากกลางใจไม่ใช่ต้องมะมัวลังเลอยู่บนทางสองแพร่งหรือร้อยแพร่งคำแนะนำที่ดีคือให้ระลึกถึงบุญที่เคยทำและชื่นใจที่สุดนึกถึงที่ไรแล้วเบาอกหัวโล่งล้นสุขเหนือสิ่งอื่นใด ผู้จะฝึกเจริญมรณสติให้ถึงระดับจิตอาจอาศัยสถานการณ์หน้าหวาดเสียวบางอย่างเช่นขณะนั่งอยู่ในรถที่ลั่นเร็วลองนึกว่าถ้าจะเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำคอหักตายเดี๋ยวนี้ใจเราจะประวันสั่นไหวหรือสงบนิ่งเป็นปกติได้หรือขณะล่องเรืออยู่ในห้วงน้ำใหญ่คลื่นลมแรงลองนึกว่าถ้าเรือล่มเป็นเหตุใหขาดใจตายในน้า ใจเราจะดิ้นรนหรือสงบระงับหรือขณะอยู่บนเครื่องบินที่ตกลุมอากาศฟ้าขนองลองนึกว่าถ้าเครื่องตกต้องร่างกายแหลกเหลวใจเราจะประวันพรั่นพรึงหรือสงบได้ไม่หวั่นไหวคำแนะนำที่ดีให้สังเกตว่าคุณสะกดจิตตัวเองให้สงบสุขไม่ได้ถ้าสะสมบาปไว้มาก พอจวนตัวใจจะดิ้นรนหวาดกลัวแต่หากสะสมบุญไว้พอเมื่อถึงกล่าวใจจะนิ่งเย็นอบอุ่นผู้ต้องการฝึกเจริญมรณสติให้ถึงระดับปัญญาต้องเจริญสติมาตามลำดับรู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกกระทั่งเกิดสมาธิเห็นลมหายใจด้วยจิตเหมือนตาเห็นรู เราเห็นกายอันเป็นที่เข้าออกของลมหายใจนี้ทั้งขณะกายนิ่งทั้งขณะกายเคลื่อนไหวกระทั่งรู้ว่าภายใต้เนื้อหนังห่อหุ้มคือตับไตไส้พุงเห็นซึ่งว่าตับไตไส้พุงคือธาตุดินน้ำลายน้ำเลือดน้ำเหลืองคือธาตุน้าลมหายใจเข้าออกคือธาตุลมไออุ่นที่แผ่ไปคือธาตุไฟ ตรงว่างและช่องกลวงต่างๆคือธาตุอากาศและเห็นว่าผู้รู้ผู้ครองร่างคือธาตุวิญญาณเมื่อเห็นเช่นนั้นอยู่เรื่อยๆด้วยการทำไว้ในใจว่าธาตุทั้งหลายไม่เที่ยงคุมรูปอยู่ได้ด้วยวิบากกรรมและอาหารเป็นคํคๆในที่สุดต้องเสื่อมสภาพลงเป็นธรรมดา ด้วยปัญญาเห็นธรรมชาติความจริงเช่นนั้นในที่สุดจะเกิดการแสดงทางธรรมชาติของกายเป็นภาพในสมาธิมีผมงอกมีฟันหลุดมีกระดูกเป็นท่อนๆแยกจากกันแบบต่างคนต่างไปและมีความเน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นผงหายวับและกลับคืนรูปใหม่วนไปเวียนมาจนกว่าจิตจะแจ่มแจ้งเป็นอิสระจากความเป็นกายและความเป็นศพรู้ว่ากายและศพ ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวใครไม่ใช่ตัวเราแจมแจ้งว่าเมื่อพ้นอุปาทานถึงขี่สุดจะเป็นผู้รอดจากการตายเพราะรอดจากการเกิดใหม่ที่ใดไม่มีความเกิดที่นั้นย่อมไม่มีความตาย